ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆเพื่อศึกษามหาเวทวิชาคมจากครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะมาจำพรรษาที่วัดเพชรบุรีอาศัยความสงบวิเวกในเขตป่าช้าทุ่งมนต์หนองโบราณเป็นที่ฝึกตนบำเพ็ญเพียรสร้างสมบารมี สมัยที่หลวงปู่หงษ์ท่านยังเที่ยวป่าในสถานที่ที่ท่านได้ทุรดง ว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งๆทั้งสิ้นเข้าป่าขึ้นเขาไปภาวนาอยู่ในถ้ำถ้ำกลาง ที่เล่าลือว่าเป็นที่สถิตของเจ้าป่าเจ้าเขา แต่ท่านกลับได้ช่วยเหลือผู้คนจํานวนไม่น้อย ไปพักอยู่ตามคันหนํานาของชาวบ้านด้วยจิตเมตตาเจตนาช่วยเหลือกําจัดทุกภัยให้พวกเขาด้วยพลังจิตมหาเวชวิชาที่ท่านแตกฉานชํานาญอยู่ว่าเมตตาให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านกลางป่าดงจึงมีทั้งการลงเลขเสกเป่าปลุก ไม่ว่าจะเกิดจะทุกข์กายทุกข์ใจให้ใครจากความทุกข์เศร้า ปืนดังระทึกกึกก้องอย่างอภทัศน์นะอาหารมาทําบุญใส่บาตรกับท่านแล้วเค้าแจกให้ผู้มา ที่ท่านเดินทางมาถึงเขตหมู่บ้านของ ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ร่วงหล่นตบ ลูกที่ 2, 2> นี่แหละเป็นเหมือนสัญญาณปลุกสติของทุกคนสุดเอียงโครมไป ท่านบอกญาติโยมบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกเดี๋ยวก็มีมาอีกนั่งตาม 2 ลูกแรกมาอีก 3-4 ลูกปรากฏว่าทุก ชาวจึงรู้ชัดแจ้งแดงแจกตากับใจว่าเขมรที่มาหาท่านใน แต่ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่กำหมังเวชอ่าเวลานั้นหลวงปู่ ก็เลยชักชวนหมู่พวกนําแผ่นโลหะมาให้ แล้วก็เอาไม้ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสพแล้วก็เอาอ่าจะได้ไม่ทําลาย ใต้ขนําเถียงนาที่ท่านนั่งก็ได้ถูกรมขุดเอาดินขึ้นมาเป็นหลุมลึกถึง เรื่องของหลวงปู่หงเป็นที่เร ร่วม 30 ปีที่ท่านไปอยู่ แล้วก็ส่งเสริมในยามที่มีสุขให้เจริญรุ่งเรือง อ่ามีอยู่รายนึงเมื่อ 10 ล้ออ่าเกิดการชนกันโขมใหญ่ปรากฏว่าหน้ารถอ่า ตัวคนขับขี่ก็ปลอดภัยไร้บาดแผลเอ๊ะมันเป็นไปได้ๆแต่ก็ไม่คิดๆแต่ว่า ก็เห็นว่ามีพระชรารูปหนึ่งนั่ง อ๋อหลวงปู่ทําให้แล้วก็เหมือนจริงอย่างที่ท่านว่าแล้วท่านมักจะพูด บางงวดที่ไม่คิดจะซื้อไม่มีเลขเด่น แรกเริ่มเดิมทีได้อ่านประวัติเกียรติคุณหลวงปู่หง ด้วยความศรัทธาในคุณานุภาพแห่งฤทธิ์บารมีหลวงปู่ นานถึง 5-6 เดือนแล้วพอรู้ข่าว เหมือนดั่งหลวงปู่หงท่านจะ ถึงวันมีเงินเดือนงามในครั้งนั้นคุณกิตพงษ์ก็ยังเชื่อมั่นอย่างๆ อ่าจะได้ปลอดภัยโชคดีมีลาภหลวงปู่ถ้าไม่ดีจริงก็เสกปัจจุใหม่จนเป็นที่พอใจพระปรกจอมสุรินทร์นี่ ท่านมั่นใจมั่นใจนี่มหาเวชแดนอีสานใต้หลวงปู่หงพรหม